อุปมาสามข้อพระรัตวาชะครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราคือหนึ่งเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทาไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะ ก, ก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นพระรัตวาชะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไร บูรุตนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุร่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้สดนั้นมียางทั้งยังแช่อยู่ในน้ำบูรุตนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าพาระทวา c ะอย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกรวนกรวายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระ ง, งับอย่างเบ็ดเสร็จในภายในสมณะหรือพราหมผู้เจริญเหล่านั้นแม้สวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งยาเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพีย ก็เป็นผู้มีควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้สวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยากเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้มีควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมา ข, ข้อที่1อันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา 2. เปรียบเหมือนไม้สดมียางที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ําบุรุษนําไม้นั้นมาทําไม้สีไฟเรื่อหวังว่าเราจะ ก, ก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นพารัตวาชะท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นนําไม้สดที่มียางซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ํามาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้ยังสดและมียางแม้จะวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนั้นก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่าพารัตวาชะอย่างนั้นเหมือนกันสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งแม้มีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหาย และความรกลนกระวายในการทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระ ง, งับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยาเพชรร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยาเผชรร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียร ก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่สองอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา 3. เปรียบเหมือนไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำมาทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นภารัตวาชะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบูรุษนั้นนำไม้ที่แห้งสนิทซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ามาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะไม้แห้งสนิททั้งวางอยู่บนบกห่างจากน้าพารัวาชะอย่างนั้นเหมือนกัน สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายและจิตหลีกออกจากกามแล้วทั้งละและระ ง, งับความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดในภายในแล้วสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกเวทนาที่กล้าแข็งหยาเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็น และการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้สวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งอย่าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมา ข, ข้อที่สอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เราพารัตวาชะนี้คืออุปมาทั้งสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ซึ่งเรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนนี้แลได้ปรากฏแก่เราทรงบำเพ็ญทุกรกเบยาพระรัวาชะเรานั้นมีความดำริว่า ทางที่ดีเราควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเรานั้นก็กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเราทาดังนั้นเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างคนที่แข็งแรงจับคนที่อ่อนแอกว่าที่ศีรษะหรือที่คอ แล้วบีบคั้นรัดไว้ให้แน่นแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มคั้นจิตทำจิตให้เร่าร้อนเหงื่อก็ไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเราปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่ กายของเราก็กระวนกระวายไม่สงบระงับภารัฐวาชะเราจึงมีความดําริว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรางเทิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกจากหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ ลมที่ช่างทองสูบอยู่มีเสียงดังอู้อู้แม้ฉันใดเมื่อเรากลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกลมก็ออกทางหูทั้งสองข้างมีเสียงดังอู้อู้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราปรารบความเพียรไม่ย่ อ, อย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของเราก็กระวนกระวาย ไม่สงบระ ง, งับเราจึงมีความดําริว่าทางที่ดีเราควรบําเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิดเราก็กลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียแทงศีรษะ คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงศีรษะแม้ชันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากและทางจมูกและทางช่องหูลมอันแรงกล้าก็เสียดแทงศีรษะชั้นนั้นเหมือนกันเราปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียดแทงอยู่กายของเราก็กรวนกระวายไม่สงบระงับ เราจึงมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรบำเพ็ญฌานอันไม่มีลมปรานเถิดเราก็กลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูเมื่อเรากลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีทุกขเวทนาในศีสะเป็นอันมากคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศีษะแม้ฉันใด เมื่อเรากลั่นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีเวทนาในศีรษะอย่างแรงกล้าชั้นนั้นเหมือนกันเราปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่กายของเราก็โกรวนกระวายไม่สงบรังับเราจึงมีความดําริว่า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 จับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมทานเพลิงแม้ฉันใดเมื่อเรากลั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูก็มีความโกรนกระวายในร่างกายอย่างแรงกล้าฉันนั้นเหมือนกันเราปรารบความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนแต่เมื่อเราถูกความเพียรที่ทนได้ยากนั้นเสียแทงอยู่ กายของเราก็โกรนกระวายไม่สงบระงับเทวดาทั้งหลายเห็นเราแล้วก็พากันกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมยังไม่ได้สิ้นพระชนแต่กําลังจะสิ้นพระชนบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนทั้งจะไม่สิ้นพระชน พระสมณโคดมจะเป็นพระอระหันต์การอยู่เช่นนี้นั้นเป็นวิหารธรรมของท่านผู้เป็นพระอระหันต์เราจึงมีความดําริว่าทางที่ดีเราควรปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างขณะนั้นเทวดาทั้งหลายเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้นี้ระทุกข์ท่านอย่าได้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่างถ้าท่านจักปฏิบัติด้วยการอดอาหารทุกอย่าง พวกข้าพเจ้าจะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของท่านท่านจะได้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นเราจึงมีความดมริว่าเราปฏิญญาว่าจะต้องอดอาหารทุกอย่างแต่เทวดาเหล่านี้จะแทรกโอชาอันเป็นทิพย์เข้าทางขุมขนของเราเราจะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยโอชานั้นการปฏิญญานั้นก็จะพึงเป็นมุสาแก่เราเอง เราจึงกล่าวห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าอย่าเลยเราจึงมีความดําริว่าทางที่ดีเราควรกินอาหารให้น้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถั่วพูบ้างเท่าเยื่อในมเมล็ดถั่วดําบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเราจึงกินอาหาร<ๆ>หน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝายมือบ้าง เท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วผูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างเมื่อเรากินอาหารน้อยลงน้อยลงเพียงครั้งละหนึ่งฝ่ายมือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วผูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดาบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างกายจึงสู้ผอมมาก อวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงเป็นเหมือนเถาวันที่มีข้อมากหรือเถาวันที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็ลีบเหมือนกีบเท้าอูดกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นน้ำเหมือนเถาวันซี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกรอนสาลาเก่าดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหด เหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นเราคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของเราแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังเราคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็สวนเสลม้มลงณที่นั้น เมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นเราเข้าแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมดำไปบางผู้ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่ดำเพียงแต่คล้ำไปบางผู้ก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ดำไม่คล้ำ เพียงแต่พร้อยไปเรามีผิวพันธุ์บริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นภารัฐวาชะเรานั้นจึงมีความดำริว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตที่เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้ อ, ทรอนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไป สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตผู้เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันเสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทานานั้นอย่างยิ่งก็เพียงนี้ไม่เกินกว่านี้ไป แต่เราก็ยังมีได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขรกริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นที่จะตัดสรู้บ้างไหมเราจึงมีความดำ่ริว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักกาธิปดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้ส ง, งดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นเพึ่งเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอเรามีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้เราจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือเราก็ดาริว่า เราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยพระราธวาชะเราจึงมีความดำริต่อไปว่าเราผู้มีกายสู้ผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทําได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมากเราก็กินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกลุ่มมากครั้งนั้น ภิกษุปัญจวคีเฝ้าบำรุงเราด้วยหวังว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจกบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดเราฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขน ม, มกลุ่มมาดเมื่อนั้นภิกษุปัญจวคีนั้นก็เบื่อหน่ายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมมากมา ก, มากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากเสียแล้ว ฌานสี่และวิชาสาระัฐวาชะเราฉันอาหารยาให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่เพราะวิตกวิจาร์สงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจจตุทะฌานอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมะาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณเราลรึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรี กำจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้ามองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยาน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 เหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันวหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยะยานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขและถึงนี้ทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทา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 เราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีกําจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกําจัดความมืดแล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังคารวมามนกด้วยกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ความเพียรอันไม่ย่อหย่อนได้มีแล้วแก่ท่านพระโคดมหนอความเพียรของสัตว์ปรุหได้มีแล้วแก่ท่านพระโคดมหนอท่านพระโคดมสมควรเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระโคดมเทวดามีหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภารัตวาชะข้อที่ว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะสังครวมานพกราบทูลว่า ท่านพระโคดมเมื่อข่าพระองค์ทูลถามว่าเทวดามีหรือหนอพระองค์ก็ตรัสตอบว่าภารัตวาชะข้อที่ว่าเทวดามีนั้นรู้ได้โดยฐานะเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้อยคําของพระองค์เป็นถ้อยคําเปล่าเป็นมุษามิใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพารัตวาชะผู้ใดเมื่อถูกถามว่าเทวดามีอยู่หรือ จะพึงตอบว่าข้อที่ว่าเทวดามีอยู่นั้นรู้กันได้โดยฐานะผู้นั้นก็เท่ากับกล่าวว่าเรารู้จักเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านผู้รู้ก็เข้าใจในเรื่องนี้ได้ว่าเทวดามีอยู่โดยแน่แท้สังคารวะมนบุนถามว่าทำไมท่านพระโคดมจึงไม่ทรงตอบแก่ข้าพระองค์เสียแต่แรกเล่า พระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าพารัตวาชะข้อที่ว่าเทวดามีอยู่นั้นเขาสมมุติกันในโลกด้วยคำศัพที่สูงสังคารวะมานบแสดงตนเป็นอุบาสก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังครวมามนบได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเรายะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิกของพระองค์ชัดเจนไพเรายะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่าําเปิดของที่ปิด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 สังคารวะสูตรที่10จบพรามนวั์ที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มาในวักนี้คือ 1. พรมมายุสูตร 2. เสลสูตรส อัศลายณะสูตรสโคตมุขสูตรหจังจีสูตร 6. เอสุการีสูตร 7. ทนัญชานิสูตร 8. วาเสถสูตร 9. สุพสูตร 10. สังคารวะสูตรรวมวักที่มีในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาสนี้มีหวักคือ 1. หขหปฏิวัคสองพิขุวัค 3. ปริภาชกะวัค 4. ราชวัค 5. พรามนวัคมชิมะปันนา จ, จบบริบูรณ